มีกระแสเชี่ยวที่ฝั่งทั้งสองของแม่น้ำนั้นถ้าแม้ต้นเหลาทั้งหลายพึงเกิดต้นเหลาเหล่านั้นก็จะถูกลู่ไปตามแม่น้ำนั้นถ้าแม้ยญ้าคาทั้งหลายพึงเกิดยญ้าคาเหล่านั้นก็ถูกลู่ไปตามแม่น้ำนั้นถ้าแม้ยญ้ามุงกระต่ายทั้งหลายพึงเกิดยญ้ามุงกระต่ายเหล่านั้นก็ถูกลู่ไปตามแม่น้ำนั้น ถ้าแม้หญกาคมบางทั้งหลายพึงเกิดหญ้าคมบางเหล่านั้นก็จะลู่ไปตามแม่น้ํานั้นถ้าต้นไม้ทั้งหลายพึงเกิดขึ้นต้นไม้เหล่านั้นก็จะลู่ไปตามแม่น้ํานั้นบุรุษถูกกระแสน้ําพัดไปอยู่ถ้าพึงจับต้นเหลาต้นเหลาก็จะหลุดไปเขาพึงถึงความพินาศเพราะต้นเหล่านั้นหลุดไป ถ้าพึงจับยญาคายญ้ามงกระต่ายหญาคมบางหรือต้นไม้ยญ้าคาเป็นต้นเหล่านั้นก็จะพึงหลุดไปเขาพึงถึงความพินาศเพราะถูกยญาคาเป็นต้นหลุดไปแม้ฉันใดภิสษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สะดับก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ได้เห็นพระอริยะ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 อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนาทีสูตรที่หนึ่งจบ 2. อุปุพสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดอกไม้ 94. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี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 ที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีเราก็กล่าวว่าไม่มีคือรูปที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่บัณฑิตในโลกสมมติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวรูปนั้นว่าไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าววิญญาณนั้นว่าไม่มีนี้แหละชื่อว่าสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวว่าไ ม, ม่มีอะไรเล่าชื่อว่าสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามีเราก็กล่าวว่ามีคือรูปที่เที่ยงไม่มีเป็นทุกข์ผันแปรที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี แม้เราก็กราวรูปนั้นว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ผันแปรที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามีแม้เราก็กราววิญญาณ น, นั้นว่ามีนิแลชื่อว่าสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามีแม้เราก็กราวว่ามีโลกธรรมมีอยู่ในโลกตถาคตตรัสรู้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 สเพนะปินัทูปมสูดว่าด้วยอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ํา95สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หนฝั่งแม่น้ําคงคาเขตเมืองอยุชาณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ําคงคานี้พึงพัดฟองน้ํากลุ่มใหญ่มา บุรุษผู้มีตาดีจะพึงเห็นเพ่งวิจารณ์ฟองน้ำกลุ่มใหญ่นั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำกลุ่มใหญ่นั้นโดยแยบคายฟองน้ำก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้สาระในฟองน้ำจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 ฟองน้ำเกิดขึ้นและดับไปบนผิวน้ำบุรุษผู้มีตาดีจะพึงเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำนั้นโดยแยบคายฟองน้ำก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในฟองน้ำนั้นจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใด เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาเวทนานั้นโดยแย บ, บคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณาเวทนานั้นโดยแย บ, บคายเวทนาก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลย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 สาระในพยับแดดจะมีได้อย่างไรแม่ฉันใดสัญญาอย่างใดยอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะสแสวงหาแก่นไม้ถือขวานที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ตรงกําลังรุ่นไม่มีแก่นในปานั้นจึงตัดโคนตัดปลายแล้วปอกกาบออก เขาปอกกาบออกแล้วไม่ได้กระพี้ในต้นกล้วยนั้นจะได้แก่นแต่ที่ไหนเล่าบุรุษผู้มีตาดีจะเห็นเพ่งพิจารณาต้นกล้วยนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาต้นกล้วยนั้นโดยแยบคายต้นกล้วยก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาแก่นไม่ได้เลยแก่นในต้นกล้วยจะมีได้อย่างไร แม้ฉันใดสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาสังขาร น, นั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณาสังขารนั้นโดยแยบคายสังขารก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลย สาระในสังขารทั้งหลายจะมีได้อย่างไรนักมายากลหรือลูกมือนักมายากลแสดงมายากลที่มีทางใหญ่สี่แพร่งบุรุษผู้มีตาดีจะพึงเห็นเพ่งพิจารณามายากลนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณามายากลนั้นโดยแยบคายมายากลก็จะพึงปรากฏเป็นของว่าง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 วิญญาณก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในวิญญาณก็จะมีได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมใครากำหนัด เพราะใครกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาได้ตรัสเวยากระนาภาสิคนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่า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 การละธรรมสามประการซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีปัญญาดุดแผ่นดินทรงปราลรบรายนี้แสดงไว้แล้วท่านทั้งหลายจงดูรูปที่บุคคลทิ้งแล้วเมื่อใดอายุอายอุ่นและวิญญาณละกายนี้เมื่อนั้นกายนี้ถูกทอดทิ้งนอนเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นปราศจากเจตนาความสืบต่อเช่นนี้ นี้เป็นมายากลสำหรับหลอกลวงคนงอขันห้าเปรียบเหมือนเพชฆาตเราบอกแล้วสาระในขันห้านี้ไม่มีภิกษุผู้ปรารกความเพียนมีสติมีสัมปชัญญะพึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติพึงละสังโยชน์ทั้งปวง ทำที่พึ่งแก่ตนประพฤติดุดบุคคลถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นเพนะปีนัทูปมาสูตรที่สามจบ 4. โคมยปีนัทสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนโคไมยัย 96. เครื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่ง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 สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งจากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีเลยเวทานาอย่างใ ด, อ ย, งยายาดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ยั่ ง, งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบก้อนโคมไม คือโมนโคเล็กๆขึ้นมาแล้วตรัสว่าภิกษุการได้อัตภาพแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีถ้าแม้การได้อัตภาพประมาณเท่านี้จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแล้วายการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้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 ซึ่งมีกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงมีประสาทแปดนสพันองค์ซึ่งมีธรรมประสาทเป็นประสาทหลวงมีเรือนยอด8 4 0 0 0พันหลังซึ่งมีเรือนยอดมหาพยุหะเป็นเรือนยอดหลวงมีบันลังแปดห0 0 0สพันบันลังทำด้วยงาทำด้วยแก่นจันแดง ประดับด้วยทองและเงินลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยผ้ากำพลขาวลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะมีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานสีแดงมีหมอนสีแดงทั้งสองข้างมีช้างต้นแปด0 0สี่พันช้างซึ่งมีเครื่องประดับทำด้วยทองมีธงทำด้วยทอง คลุมด้วยขายทองมีพญาช้างอุโบสถเป็นหัวหน้ามีม้าต้นแปดหมื่นสี่พันม้าซึ่งมีเครื่องประดับทำด้วยทองคลุมด้วยขายทองมีม้าวลาหกอัศวราชเป็นหัวหน้ามีรถทรง8ปด0สี่พันคันมีเครื่องประดับทำด้วยทองมีธงทำด้วยทองคลุมด้วยขายทอง มีเวชยันตราชรตเป็นประธานมีแก้ว8 4ด0 0สี่พันดวงมีแก้วมณีเป็นประธานมีพระสนม 84,000 นสพันนางมีพระนางสุพัธาเทวีเป็นหัวหน้ามีกษัตริย์8สพันพระองค์ตามสเสด็จมีขุนพลแก้วเป็นประมุขมีแม่โคโนม8 4 0 0มสพตัวผูกด้วยเชือกป่าน แขวนกระดิงสำริจมีผ้า8ปดหมันโกรคือผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียดผ้าไหมเนื้อละเอียดผ้าขนสัตว์เนื้อละเอีย ด, ผ, ยดผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดมีภาชนะทอง 84% ดหมสี่พันสำรับซึ่งชนทั้งหลายใส่อาหารนํามาทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าภิกษุก็บรรดาเมือง 84% ดหมพันเมืองนั้น เมืองที่เราครองในสมัยนั้นมีเมืองเดียวเท่านั้นคือกุษาวดีราชธานีบรรดาปราสาท 84,000 พันพระองค์นั้นปราสาทที่เราครองในสมัยนั้นมีหลังเดียวเท่านั้นคือธรรมะปราสาทบรรดาเรือนยอด 84,000 พันหลังนั้นเรือนยอดที่เราครองในสมัยนั้นมีหลังเดียวเท่านั้นคือเรือนยอดมหาพยูหะ บรรดาบัลลังดหม0่สี่พันบัลลังนั้นบัลลังที่เรานั่งในสมัยนั้นมีบัลลังเดียวเท่านั้นคือบัลลังที่ทำด้วยงาทำด้วยแก่นจันแดงทำด้วยทองทำด้วยเงินบรรดาช้างต้น8ปด0 0สี่พันช้างนั้นช้างที่เราทรงสมัยนั้นมีช้างเดียวเท่านั้นคือพญาช้างอุบโบสดบรรดาม้าต้น แปดหมพันม้านั้นม้าที่เราทรงในสมัยนั้นมีม้าเดียวเท่านั้นคือ ม, ม้าวราหกอัศวราชบรรดาราชรถแปดหมพันคันนั้นราชรถที่เราทรงในสมัยนั้นมีคันเดียวเท่านั้นคือเวชญัตราชรถบรรดาพระสนมแปดหมพันนางนั้นพระสนมที่เรายกย่องในสมัยนั้นมีนางเดียวเท่านั้น คือนางคัตตยานีหรือนางเวลามิกาบรรดาผ้าแปดหม่นสี่พันโกรดนั้น้าที่เราทรงสมัยนั้นมีคู่เดียวเท่านั้นคือผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียดผ้าไหมเนื้อละเอียดผ้าขนสัตว์เนื้อละเอียดหรือผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดบรรดาภาชนะทองแปดหมสี่พันสำรับนั้นภาชนะทองซึ่งใส่เข้าสุกที่หงจาก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 ก็สังขารทั้งปวงมีลักษณะที่ไม่เที่ยงอย่างนี้ควรทีเดียวที่จะเบื่อนายคลายกำนัดพ้นไปจากสังขารทั้งปวงโคมยปินาทสูตรที่สจบ 5. านักขะสิขาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บเ7จ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั่นนั่งนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังข Trans ารเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ย่างยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ย่างยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นมีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มีเลยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีเลย ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงซ่อนฝุ่นนิดหน่อยด้วยปลายพระนัขาแล้วตรัสกับภิกษุนั้นว่าภิกษุรูปแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มีถ้ารูปแม้ประมาณเท่านี้จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแล้ว การอยู่ประพฤติพระมาจันเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏแต่เพราะรูปแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติพระมาจันเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบจึงปรากฏเวทนาแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืน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 ไม่ผันแปรไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบจึงปรากฏสังขารแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเกี่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีถ้าสังขารแม้ประมาณเท่านี้จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแล้วการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้ ก็จะไม่พึงปรากฏแต่เพราะสังขารแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى, ไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบจึงปรากฏวิญญาณแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มี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 รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนักขัสิกขาสูตรที่ห้าจบหกสุดที่กระสูตรว่าด้วยขาล้วนเก้าสิบแปดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุ น, นั้นนั่งนาะที่สมควร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 วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่ยังเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีเลยเจ็ดคัทธุลพัทธสสตรว่าด้วยอุปมาด้วยสุนักถูกกล้ามเก้าสิบเก้าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ไครๆ ร, รู้ไม่ได้เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏแกสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมหาสมุรยังมีเวลาเหือดแห้งไปมีอยู่ไม่ได้ แต่เราก็ไม่ได้กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปอยู่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ขุนเขาสิเนรุยังมีเวลาถูกไฟเผาพินาศไปมีอยู่ไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปอยู่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 ย่อมพ้นจากวิญญาณเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชรามรณะโซกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาตและย่อมพ้นจากทุกข์ 8. ทุติยคัตทูลพัทธสูตรว่าด้วยอุปมาเหมือนสุนัขถูกกล้ามสูตรที่สองหนึ่งร้อย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 ล่ามไว้ที่หลักหรือเสาที่แข็งแรงถ้าแม้สุนักนั้นก็เดินใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้สุนักนั้นยืนก็ยืนใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้สุนักนั้นหมอบก็หมอบใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้สุนักนั้นนอนก็นอนใกล้หลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดปุทุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 ก็ยืนใกล้อุปทานขันห้าประการนี้เองถ้าแม้นเขานั่งก็นั่งใกล้อุปทานขันห้าประการนี้เองถ้าแม้นเขานอนก็นอนใกล้อุปทานขันห้าประการนี้เองความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายควรพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่า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 เราไม่พิจารณาเห็นสัตว์อื่นแม้นเพียงหมู่เดียวซึ่งวิจิตเหมือนสัตว์ดิรฉานนี้เลยสัตว์ดิรฉานแม้เหล่านั้นจิตตกรก็คิดด้วยจิตนั่นเองจิตนั่นเองที่วิจิตกว่าสัตว์ดิรฉานแม้เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายควรพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะ โมหะเป็นเวลานานสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศ้ามองสัตว์ทั้งหลายบริสุทธ์เพราะจิตผ่องแผ้วภิกษุทั้งหลายช่างย้อมหรือจิตตกรนเมื่อมีเครื่องย้อมก็ดีคลั่งก็ดีขมิ้นก็ดีสีเขียวก็ดีสีแดงก็ดีพึงเขียนรูปสตรีหรือบุรุษผู้มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบทุกส่วน ลงบนแผ่นกระดานฝาหรือแผ่นผ้าที่เกลี้ยงกล่ำแม้ฉันนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจะให้คิดก็ให้รูปนั้นเองเกิดเวทนาสัญญาสังขารเมื่อจะให้เกิดก็ให้วิญญาณนั่นเองเกิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร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 วาสิชดตดสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยด้ามมีตร้อยเอ็ด 101. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอสวะบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่มิได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอสวะของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไร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 เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ความสิ้นไปแห่งอสะวะจึงมีภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่ประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอสะวะเพราะไม่ถือมั่นก็จริงถึงอย่างนั้นจิตของเธอก็ไม่หลุดพ้นจากอสะวะเพราะไม่ถือมั่นได้เลย ข้อน <favorite item rare> <K projet é> ั้นเพราะเหตุใรข้อน anyway ั Chapter ้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะเธอไม่ได้เจริญเพราะเธอไม่ได้เจริญอะไรคือเพราะเธอไม่ได้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการไม่ได้เจริญสัมมาปัฏฐานสี่ประการไม่ได้เจริญอิทธิบาทสีประการไม่ได้เจริญอินสี่ห้าประการไม่ได้เจริญพละห้าประการไม่ได้เจริญโพชฌงเจ็ดประการ ไมไ่เจริญอริยมรรคมีองค์แปดไข่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือสิองฟองไข่เหล่านั้นแม่ไก่ไม่ทับไม่กกไม่ฟักให้ดีแม่ไกไ่ไกกไไกนั้นถึงจะมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอลูกของเราจึงจะทําลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยความสวัสดีก็จริง ถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็ไม่สามารถทำลายกระปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยความสวัสดีได้ข้อนั้นเพราะเหตุใยเพราะไข่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือส2บสองฟองนั้นแม่ไก่ไม่ทับไม่กกไม่ฟักให้ดีแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อไม่ประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็จริงถึงอย่างนั้นจิตของเธอก็ไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะเธอไม่ได้เจริญเพราะเธอไม่ได้เจริญอะไร คือเพราะเธอไม่ได้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการไม่ได้เจริญสัมมาปัฏฐานสี่ประการไม่ได้เจริญอิทธิบาทสี่ประการไม่ได้เจริญอินทรี่ห้าประการไม่ได้เจริญพละห้าประการไม่ได้เจริญโพชทชงเจ็ประการไม่ได้เจริญอริยมรตมีองค์แปดพิสุทั้งหลายเมื่อภิกษุประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า ทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็จริงถึงอย่างนั้นจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะเธอได้เจริญเพราะเธอได้เจริญอะไรคือเพราะเธอได้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการ ได้เจริญสมะประธานสี่ประการได้เจริญอิทธิบาทสี่ประการได้เจริญอินทรีห้าประการได้เจริญพละหประการได้เจริญโพชนชงเจ็ประการได้เจริญอริยมัติมีองค์8ปดไข่ไก่8ฟองสิบฟองหรือสิองฟองไข่เหล่านั้นแม่ไ ก, ก, ก่ทับกบฟักไว้ดีแม่ไก่นั้น ถึงจะไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนาลูกของเราจึงจะทำลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยความสวัสดีก็จริงถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยความสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไร ราะไข่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองนั้นแม่ไก่ทับกกฟักไว้ดีแล้วแม่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุประกอบภาวนาอยู่นงเนือ ง, องถึงจะไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถือมั่นก็จริงถึงอย่างนั้น จิตของเธอก็หลุดพ้นจากอสศวะเพราะไม่ถือมั่นได้ข้อนั้นเพราะเหตุายข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะเธอได้เจริญเพราะเธอได้เจริญอะไรคือเพราะเธอได้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการได้เจริญสมปทานสี่ประการได้เจริญอิทธิบาทสี่ประการได้เจริญอินรีห้าประการได้เจริญพละห้าประการ ได้เจริญโพชิชงเจ็ประการได้เจริญอริยมรรคมีองค์8รอยนิ้วมือหรือนิ้วหัวแม่มือปรากฏอยู่ด้ามมีดของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้แต่ช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่าวันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปประมาณเท่านี้เมื่อวานนี้สึกไปประมาณเท่านี้ วันก่อนก่อนศึกไปประมาณเท่านี้ที่แท้เมื่อด้ามมีสศึกไปแล้วช่างไม้หรือลูกมือช่างไม้นั้นก็รู้ว่าศึกไปแล้วแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อประกอบภาวนาอยู่เนืองๆหารู้ไม่ว่าวันนี้อาสวัตทั้งหลายของเราสิ้นไปประมาณเท่านี้เมื่อวานนี้สิ้นไปประมาณเท่านี้วันก่อนก่อนสิ้นไปประมาณเท่านี้ ก็จริงถึงอย่างนั้นเมื่ออาสวะสิ้นไปแล้วเธอก็รู้ว่าสิ้นไปแล้วภิสษุทั้งหลายเมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูกหรือหวยจอดอยู่ในน้ำตลอดฤดูฝนพอถึงฤดูหนาวเขาก็เข็นขึ้นบกเครื่องผูกเหล่านั้นต้องลมและแดดถูกฝนตกรด ย่อมผุปเปื่อยไปโดยง่ายแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อประกอบภาวนาอยู่เนืองๆสังโยชน์ทั้งหลายก็เสื่อมสิ้นไปโดยง่ายเช่นกันว่าสิชะตดสูตรที่เก้าจบ 10. อนิจจสัญญาสูตรว่าด้วยอนิจจสัญญา ร้อยสองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุทั้งหลายอันนีจะสัญญาความหมายรู้ว่าไม่เที่ยงที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมครอบงามกรามราคะความติดใจในกรรมคุณรูปราคะความติดใจในรูปธรรมภวะราคะความติดใจในภพ และอวิชชาความไม่รู้จริงทั้งปวงได้ถอนอสมิมานะความถือตัวว่าเป็นเราทั้งปวงได้ในศาสตร์ฤดูชาวนาเมื่อไถนาด้วยคันไถใหญ่ย่อมไถทำลายรากหญ้าที่เกี่ยวเนื่องทุกชนิดแม้ฉันใดอ น, นิจจสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอบครอบงามกามราคะรูปราคะภวะราคะและอวิชชาทั้งปวงถอนอสมิมานะทั้งปวงได้คนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายเกี่ยวเสร็จแล้วจะปลายเขย่าฟาดสลัดออกแม่ฉันใดอ น, นิจจสัญญาที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันั้นเหมือนกันถอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้ เมื่อพวงมะม่วงขาดจากคั่วบรรดามะม่วงเหล่านั้นมะม่วงที่ยังติดที่คั่วทั้งหมดก็หลุดไปตามพวงมะม่วงนั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันถอนอัสมีมาณนะทั้งพวงได้กรอนของเรือนยอดทั้งหมดทอดไปถึงยอดรวมลงที่ยอด ยอดเรือนชาวโลกกล่าวว่าเลิด ก, กว่ากรอนเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนีจะสัญญาที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วก็ฉะนั้นเหมือนกันทอนอัศมิมาณะทั้งปวงได้กลิ่นหอมที่เกิดจากรากชนิดใดชนิดหนึ่งปลิศนาชาวโลกว่าเลิด ก, กว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากรากเหล่านั้นแม้ฉันใด อันนีจสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันถอนอสมิมานะทั้งปวงได้กลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันทแดงชาวโลกกล่าวว่าเลิอดกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถอนอัสมิมาณนะทั้งปวงได้กลิ่นหอมที่เกิดจากดอกชนิดใดชนิดหนึ่งดอกมะลิชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากดอกเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันถอนอัสมิมาณนะทั้งปวงได้พระราชาผู้มีอานาจน้อยทั้งปวง ย่อมคล้อยตามพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเลิดกว่าพระราชาผู้มีอำนาจน้อยเหล่านั้นแม้ฉันใดอั น, นิจะสัญญาที่บุคคลจเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้แสงสว่างของดวงดาวทั้งหมดไม่ถึงเซี่ยวที่ส6บแห่งแสงสว่างของดวงจันทร์ แสงสว่างของดวงจันทร์ชาวโลกกล่าวว่าเลิดกว่าแสงสว่างของดวงดาวเหล่านั้นแม้ฉันใดอ น, นิจจสัญญาที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้ในศาสตร์ฤดูเมื่อฝนขาดหายปราศจากเมฆดวงอาทิตย์อุไทยขึ้นสู่ท้องฟ้า กำจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งหมดย่อมส่องแสงแผดแสงและแจ่มกระจางแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมครอบงามการราคะรูปราคะภวะราคะและอวิชชาทั้งปวงได้ทอนอสมิมาณะทั้งปวงได้ อันิจสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรจึงครอบงามกรามราคะทั้งปวงได้ทอนอสมิมานะทั้งปวงได้คืออันิีจสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้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 และอวิชาทั้งปวงได้ท้อนอัสมิมานะทั้งปวงได้อันนี้จะสัญญาสูตรที่สิบจบปุพพวัคที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งนาทีสูตรสองปุพพสูตร 3. เพนะปินทูปมาสูตรสโคมยะปินทสูตร 5. นขสิกขาสูตร 6. สุทธิกสูตร 7. คันทูลพัทธสูตร 8. ทุติยคันทูลพัทธสูตร 9. วาสิชะตะสูตร 10. อณิจจสัญญาสูตรมัชชิมะปัญ น, นาสจบบริบูรณ์รวมวักที่มีในมัชชิมะปัญ น, นาตนี้คือหนึ่งอุปยาวาัก 2. อ, อรหันตวัคสามขนียวัค 4. เทรวัค 5. ปุพพวัครวมห้าวัคเรียกว่าทุติยปัญ น, นาฏ